ทีไหนมีคนที่นั้นมันก็จะมีเสียคนนี่แหละเป็นตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าถึงสอนอย่าคุกคีกันอย่าสังคมกันถ้าคุกคีสังคมกันเนามันก็จะมีเรื่องเรื่องให้พูดให้คุยให้วิพากษ์ให้วิจารณ์ให้ทะเลาะวแวางกัน ทำให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นะัวนแล้วพอมาแสวงหาความสงบของใจต้องปีกิเวกหาที่สงบสนัดอยู่คนเดียวแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันก็ทำเท่าที่จำเป็นที่ทำก็ไม่ให้สนทนาไม่ให้คุยกัน ใหู้ให้ดูใจคงตนเป็นหลัให้มีสติคอยเฝ้าดูใจให้อยู่กับความสงบให้รู้เฉยๆใจนี้มีทั้งมีสองส่วนส่วนที่เป็นตัวรู้และส่วนที่เป็นตัวคิดตัวรู้นี้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่มักจะถูกตัวคิดนี้มามาบังเอาไว้ข้างหน้า ถ้ารู้เฉยๆก็จะไม่มีอารมณ์แต่ถ้ารู้แล้วมีความคิดปุงแต่งก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดอารมณ์รักอารมณ์ชังดีใจเสียใจความคิดนี้เป็นตัวตัวสำคัญถ้าถูกเอาวิชาปัจจัยสังขาราถ้าถูกเอาวิชาเป็นผู้ชักนำ ก็จะคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นวัวความทุกข์ใจซึ่งผู้ที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะมีอวิชชาเป็นผู้คอยคอยผลักดันให้คิดจะคิดไปในทางทางโลกไปคิดคิดไปในทางการกระทำต่างๆภายนอกใจ คิดไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้เพื่อจะได้มีความสุขแต่เป็นความสุขที่ที่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เจือจางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะ มีความอยากตามมาอยากจะได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ก็ต้องออกมาหาความสุขอย่าง น, นี้ไปเรื่อยๆความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ทําให้มีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มเกิดความพอมากขึ้น นักปฏิบัติต้องคอยดูใจอยู่เสมอว่ากําลังคิดไปในทางไหนคิดไปในทางสมุทยัยก็คือทางความอยากเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากกระทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องรู้ทันแล้วก็ต้องนำนับเสียให้คิดไปในทางธรรมคือคิดปล่อยวางคิดเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกใจทั้งหมดไม่ใช่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขามีมาแล้วก็ต้องมีไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราสิ่งที่เป็นของเราที่แท้จริงก็คือความสุขภายในใจ ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอยา่างภายนอกใจถ้ายังปล่อยวางสิ่งภายนอกใจไม่ได้ใจก็จะไม่มีความสุขภายในใถ้าปล่อยสิ่งต่างๆภายนอกได้ใจก็จะมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขภายในใจความสุขภายในใจนี้จะเป็นความสุขที่อยู่กับใจไปเสมอ เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปไม่มีวันหมดไป <c oughs> ดังนั้นเวลาปฏิบัติเวลาภาวนาต้องมีจำต้องมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจโดยเฉพาะความคิดตรุงแต่งพยายามในเบื้องตน้นพยายามระงับความคิดตรุงแต่งไว้ก่อนเพราะว่าความคิดตรุงแต่ง ส่วนใหญ่ร้อยเกือบร้อยเปอนนี้จะไปทางอาวิชชาปัจญาสังขารจะเป็นความคิดที่ถูกอวิชชาความหลงเป็นผู้ผลักดันให้คิดถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็จะเกิดความว้าวุ่นกลัวขึ้นมาเช่นขณะอยู่ปฏิบัติถ้าไปคิดถึงเรื่องที่บ้านเรื่องที่ทำงานเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ เาเกิดความโหยใยขึ้นมาก็จะไม่สามารถอยู่ปฏิบัติต่อไปได้ใจก็จะต้องใจไม่สมบุบใจห่วงใจเป็นห่วงห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงเรื่องนั้ น, น, นห่วงเรื่องนี้นนแทนที่จะได้บาเพ็ญต่อก็เลยต้องกลับไปหาสิ่งที่ที่ห่วง แต่ถ้ามีปัญญาก็สามารถตัดความห่วงได้ว่าสิ่งที่เราห่วงนั้นเขาก็ต้องเป็นไปตามตามเรื่องของเขาในที่สุดเขาก็ต้องดับไปอยู่ดีไม่ว่าเราจะไปอยู่ใกล้เขาหรือไม่ ก, ก็ตามไม่ว่าเราจะไปทำอะไรให้เขามากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดเขาก็ต้องเสื่อมหมดไปเพราะเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้าถ้าปฏิบัติไปแล้วมีปัญญาคอยสอนใจก็จะสามารถที่จะปฏิบัติต่อได้อย่างต่อเนื่อ ง, งไม่มีติเลตมาคอยหลอกล่อให้ไปดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะปัญญาจะรู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ ใจเราคิดที่จะไปหาไปดูแลนั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจมีแต่โทษกับจิตใจเพราะจะเป็นภาระให้ต้องแบกหางต้องคอยดูแลรักษาต้องห่วงต้องห่วงแล้วก็ต้องเสียใจ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการจากกันไปถ้าใครมีปัญญาอย่างนี้คอยคอยต่อสู้กับความคิดก็จะสามารถระงับความคิดต่างๆได้ใจก็จะสงบได้อย่างนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิถ้ามีปัญญาสามารถสอนใจให้ตัดความคิดที่จะออกไปข้างนอกให้ได้ ใจก็จะสงบตัวแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยสติเช่นพุทธานุสติก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเวลาที่คิดห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อยากไปทำสิ่งนั้นอยากไปทำสิ่งนี้ก็ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้คิดถึงเรื่องเรื่องราวต่างๆให้ใจว่างให้อยู่กับพุโทโธให้พุโทโธกับ กับผู้รู้ตัวรู้นี่แม่สนิทกันเป็นหนึ่งเลยเป็นเนื้อเดียวกันถ้ามีพุโทโธคู่อยู่กับผู้รู้แล้วก็จะไม่มีอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัวจะไม่มีความคิดที่จะนอหลอกล่อให้ไปหาความทุกข์มาใส่ใจใจก็จะว่างจะสงบจะสบายแต่ใจยังไม่ฉลาดถ้าใช้สติคือพุทธานุสติเป็นผู้ที่ทําให้ใจว่าง อันนี้ก็จะว่างแบบชั่วคราวคือพอเผลอเมื่อไรไม่ได้พุทธานุสติเมื่อไรอวิชาปฏิยาสังขารนะก็จะโผล่ ข, ขึ้นมาใหม่ก็จะคิดห่วงนั้นห่วงนี้คิดอยากไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาคนนั้นหาคนนี้ถ้ามีสติก็สามารถระงับรงับได้ด้วยการกลับมาหาพุทโธต่อไป แต่ก็จะเป็นการต่อสู้สลับกันไปอย่างนี้ไปไม่มีสิที่สิ้นสุดเพราะกำลังของสมาธิทำได้เพียงเท่านี้กำลังของสติคือพุทธานุสติทำได้เพียงเท่านี้คือป้องกันไม่ให้อวิชชาปฏิยาสังขาราปรากฏขึ้นมาไม่ให้อวิชชาผลิตความคิดไปในทางสมุธไทยถ้าต้องการที่จะกำจัดอวิชชา ปัจจัยสังขาราอย่างท้าวลก็ต้องใช้ธรรมาปัจจัยสังขารหรือปัญญาปัจจัยสังขารก็ต้องคิดไปในทางปัญญาให้ปัญญาเป็นผู้ผเักดันความคิดให้คิดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์ความสุขมีเพียงอย่างเดียวเทราะนั้นคือความว่างความว่างนี่แหละคือความสุข คือความป่าเสจากสิ่งต่างๆทั้งหลายถ้ามีอะไรก็จะต้องทุกกับสิ่งนั้นถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าพอเอาวิชาปัจจาสังขาราโผมาบอกให้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้ไปทําสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้โผล่คนนั้นโผล่คนนี้ก็ต้องใช้ธรรมะปัจยาสังขารา ตอบโต้ทัเทีว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไปอยู่กับเขาก็อยู่ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีหรือมนเช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีสู้จากตอนนี้ดีกว่าจากด้วยปัญญาจะดีกว่าถ้าจากด้วยอวิชชาปัจิยาสังขาราตอนนั้นก็จะทุกข์ทรมันใจเศร้าโศกเสียใจ จนอาจจะไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปนี่คือเรื่องของนักปฏิบัติทั้งวันเนี้ยถ้าให้เฝ้าดูใจดูสองตัวเนี้ยดูว่าใจมันไปทางธรรมปัฏิยาสังขาราหรืออวิชชาปัฏิยาสังขารถ้ามันไปทางอาวิชชาปัฏิยาสังขาราก็ต้องพยายามดึงมาทางธรรมปัฏิยาสังขารา คิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางธรรมะถ้าคิดไปในทางธรรมะไม่ได้ไม่มีกาลังก็ใช้พุทธานุสติไปก่อนบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆหรือให้มีสติเฝ้าอยู่ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกาลัง ทำอะไรเช่นกําลังปัดกวาดก็ได้รู้ว่ากําลังปัดกวาดกาลังรับประทานอาหารกําลังอาบน้ำกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวซักผ้าก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าให้ความคิดปรงแต่งปรากฏขึ้นมาถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบริกรรมพุทโธก็ได้แต่ถ้ามีความเคิดปรุงแต่งขึ้นมา เราไม่สามารถหยุดมันได้ก็ต้องใช้การบริกรรมพุโทโธไปหรือใช้การสวดมนต์ไภายในใจก็ได้สวดบทไหนที่เราจำได้สวดไปอย่างพระบทไหนนี้จะหัดท่องพระปาฏิโมกกันซึ่งมีสองร้อย่สิยข้อเป็นศสีของพระ ถ้าผู้ใดท่องพระปฏิป่วงได้นี้จิตจะสงบจะมีองค์สงผลจะได้ความสงบเพราะกว่าจะท่องจบนี้อย่างน้อยต้องใช้เวลา45นาทีโดยประมาณท่องช้าท่องเร็วก็ก็จะจะเร็วหน่อยจะช้าหน่อถ้าปานกลางก็ประมาณ45นาทีถ้าท่องได้45นาทีในี้ใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจจะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถใช้การบริกรรมพุโทโธไปได้ในเบื่อเราอยากจะใช้บทสวดมนต์แทนก็ได้สวดมนต์บทได้บทหนึ่งไปที่เราจําได้สวดให้แต่อย่าสวดแบบนกแก้วคือสวดแล้วใจก็รอยไปคิดเรื่องนั้นขึ้นเรื่องนี้ให้สวดอยู่กับบทสวดมนต์จริงๆทุกคําทุกบทสวดถ้าอย่างนี้แล้ว กำลังของอวิชชาปัจยาสังขาราก็จะถูกตับทอนไปหรือถูกกดเอาไว้เหมือนหินทับยญ้าความคิดทางอาวิชชาปัจิยาสังขารานี้ก็เป็นเหมือนยญ้าส่วนการบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์นี้ก็เป็นเหมือนกับหินที่จะเอามาทับอวิชชาปัจยาสังขาราไม่ให้คิดไปในทาง โลภะโทสะโมหะไม่คิดไปทางกามรรคฐนหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแต่มันแต่มันไม่สามารถที่จะทำลายอาวิชชาปัจจายสังขาราได้เพราะเป็นเพียงเหมือนหินทับยญ้าเท่งนั้นเองเพียงแต่กดเอาไว้ไม่ให้อวิชชาปัจจยสังขารโผล่ออกมาถ้าอยากจะถ้าอยากจะถอน ถอดถอนวิชาปฏิยาสังฆาราก็ต้องใช้ธรมมปฏิยาสังฆาหารือวิชาปฏิยาสังฆาราคือความความจริงความจริงก็คืออนิจจังทุกขักอนัตตาคิดถึงอนิจจังทุกข์กอนัตตาในเรื่องที่เราไปยึด ต, ติดอยู่ด้วยเรายึด ต, ติดกับเรื่องใดคนใดก็ให้พิจารณาเรื่องนั้นคนนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขักอนัตตาพิจารณาว่าเขาไม่เที่ยง เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องพัดท่าจากกันถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนา น, านเราก็จะเกิดความทุกใใข์ใจขึ้นมาเพราะเราจะวิตกกังวลไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรืออยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราพิจารณาว่าเขาต้องจากเราไปแ น, น่ๆเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยให้เขาดูแลตัวเขาเองดีกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเขาต้องคอยพึ่งเราแล้วถ้าเกิดไม่มีเราแล้วเขาจะพึ่งใครช่งให้เขาหัดพึ่งตัวตัวเขาเองดีกว่าโดยด้วยการแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่เราก็พึ่งตัวเราเขาก็พึ่งตัวเขานอกจากว่ามันอยู่ในเหตุสุริสัยเราไม่สามารถขึ่งตัวเขาได้เจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ไปดูแลกันเฉพาะเฉพาะการเฉพาะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นโดยปกติก็ควรจะปล่อยให้เขาอยู่ไปตามความสามารถของเขาตามอัตตาอัตนนท์นาโถของเขาพราะเราทุกคนก็โตโตกันด้วยกันแล้วไม่ใช่เป็นเด็กสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลได้เพียงในขอบของอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้น จะดูแลดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องอจากใจกันไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเราปิดวิเวกไปอยู่คนเดียวเราต้องคอยใช้ปัญญาสอนใจอย่างนี้ไม่ใช่นนันะ้นเราจะไม่สามารถจะปิดวิเวกได้เดี๋ยวก็ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แม้เป็นพระนี่บางทีก็ยังห่วงไปปิดวิเวกก็ห่วงครูบาอาจารย์ ก็มีอยากจะกลับมาช่วยท่านจากการมาปนนิบัติท่านไม่ต้องไปห่วงท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์เราท่านช่วยตัวท่านได้ท่านเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วเราเรียนช่วยตัวเราเองไม่ได้เราไปช่วยตัวเราเองก่อนเถิดโดยสร้างธรร ม, มาปัจยาสังคาราขึ้นมาภายในใจเพื่อทําลายอวิชชาปฏิยาสังคาราพรออวิชชาปฏิยาสังคาราหมดไปจากใจแล้ว ใจก็จะว่าใจก็จะสัอาดแต่ว่ารู้ใจจะไม่ได้ปรุงแต่งเห็นอะไรก็เฉยเห็นตามสภาพความเป็นจริงเหมือนเหมือนกับดูภา พ, พยนตร์เงียบไม่มีเสียงภาพใจนี้จะไม่มีอวิชชาปัจจยาสังขารามาคอยภาพว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ควรจะทําอย่างนั้นควรจะทําอย่างนี้จะเห็นเฉยเฉยจะรู้เฉยเฉยจะได้ยินเฉยเฉย เห็นแล้วก็รู้ว่าผ่านไปอะไรมาสัมผัสเห็นปั๊บก็หายไปอะไรมาเสียงมาสัมผัสปั๊บได้ยินปั๊บก็ผ่านไปผ่านไปไม่เอามาคิด ป, ปุงแต่ว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีก็เกิดอุปทานอยากจะให้ความเสียงนั่นบ่อยๆ อ, อยากให้เสียงนั้นอยู่บ่อยอยู่ น, นานถ้าไปเสียงที่ไม่ดีก็อยากจะให้หายไปเร็วๆ เ, วเมื่อไใครชมนี่อยากจะนั่งฟังทั้งวัน เวลาใครตระหติเตือนนี่อยากจะเดินหนีไม่อยากฟังนี่เพราะใจไม่มีธรมมาปฏิยาสังขาราจุกวิชาปฏิยาสังขาราเป็นผู้ผลักึ่งให้คิดปุกลแก่ไปในทางรักทางชังทางกลัวทางหลงงั้นเราต้องทํำลายอาวิชาปฏิยาสังขาราด้วยพุทธานุสติในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่รู้จัก ใช้ธรรมะปัญญาสังขาราก็ใช้พุทธานุสติไปก่อนพอเห็นคุณค่าของความสงบความว่างของใจขั้นต่อไปก็จะสามารถใช้ปัญญาปัญญาสังขาราไนดะ้พอใจก็ อ, อาวิชาปัญญาสังขาราสามให้คิดไปทางความรักความชังความกลัวความหลงก็จะสามารถใช้ ธรรมมาปัจจยาสาังขารมามาเบรคได้ ท, ทันทีเช่นเวลาตัวตายนี้ก็ใช้ปัญญาเกิดมาแล้วไม่ตายหรือยังไงให้คิดอย่างนี้เลยมีใครเกิดมาแล้วว่าไม่ตายแล้วไอ้ที่ตายมันเป็นใครกันแน่มันเป็นเราหรือเปล่ามันเป็นเราหรือมันเป็นอะไรกันแน่พิจารณาไปดูสิไอ้ที่ร่างกายที่มันจะตายี่มันเป็นอะไรมันก็เป็นเพียนผมขนแมฟันอย่างนี้นเอ็นกันดู่อาการสาบสอง 3, มันไม่ได้เป็นผู้รู้มันไม่มีความรู้อยู่ในผมขนเล็บฟันหย่งเนื้อเอ็นกระดูกผู้รู้เป็นผู้ที่มามาดูแลรักษาปกาคุ้มครองปกป้องคุ้มครองครอบครองเป็นสมบับชั่วกราวเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องปล่อยต้องปล่อยเขาไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเราเป็นผู้ผู้ ผู้ ด, ดูแลเขาเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาเป็นคนละคนกันมันเป็นพี่เป็นน้องร่างกายเป็นเหมือนน้องใจเป็นเหมือนพี่พี่ก็ดูแลน้องไปจนกว่าน้องจะต้องอหยุดหยุดการทำงานหยุดหายใจหยุดหายใจก็ปล่อยเขาไปแต่พี่ไม่ได้เป็นอะไรไปเพราะพี่ไม่มีวันตายใจนี้ไม่มีวันตายเพราะมันไม่มีรูปมีร่าง ไม่มีสัตว์ไม่มีสวยมันไม่มันไม่เกิดมันจึงไม่ดบนั่นเองฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวตายถ้าใช้ปัญญาพิจารณานี้แล้วก็จะรู้ว่าความตายนั้นเป็นของร่างกายไม่ได้เป็นของใจผู้กลัวผู้กลัวไม่ตายแล้วไปกลัวหาอะไรกลัวให้มันเสียเสียเสียความรู้สึกเปลเปล่าเพราะกลัวเราจะเกิดความทุกข์ทรมารใจขึ้นมา ถ้าไม่กล ah ัวเฉยๆก็สบายร่างกายตายก็ตายไปร่างกายของใครตายก็ตายไปของคนนั้นตายก็ตายไปของคนนี้ตายไปก็ตายไปของเราตายไปก็ตายไปถ้ามีธรรมปฏิยาสังการแล้วมันจะระงับอคติทั้งทั้งสี่อย่างคือรักชังกลัวและหลงหลงว่าเป็นตัวเรามันก็จะไม่หลงหลงว่าเป็นของเรามันก็จะไม่หลง รู้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวเราของเราชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นสมบัติปัดจันชนสมบัติเงินทองหาได้มาน้อยล้านพันล้านเดี๋ยวก็เป็นของคนอื่นไปหามาแทบเป็นแทบแตายไม่ได้ใช้เลยสักบาทเดียวกลายเป็นของคนอื่นไปหมดความหลงคือความโง่ ถามหนมาถ้าเป็นแทบตายเพื่อให้คนอื่นใช้ตัวเองไม่กลับไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าอยากจะใช้ใเกิดประโยชน์กับตนเองก็เอาไปทําบุญให้หมดปล่อยวางเพื่อจะหน้าตัดกิเลสตัวอุปทานความมิมั่นถึงมั่นตัวความอยากอยากมีมากๆอยากได้มากๆถ้าเอาไปทําบุญบุญหมดแล้วมันก็จะไม่อยากได้ต่อไปได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ ใค้ให้อะไรมาก็เอาไปใช้ต่อเอาไปสมค์โลกเอาไปทาประโยชน์ให้แก่โลกต่อไป mm hmm. เพราะมีวันแล้วมันเหมือนเป็นเป็นไฟมันร้อนของร้อน mm hmm. อยู่เก็บไว้ก็เป็นภัยอันตรายกับตัวเอง mm hmm. เดี๋ยวก็จะมีโจรทุรายมาป้นมามาลักมาขโมยมาทำลายชีวิตเราเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของเราไป ถ้ไปฝากไว้ก็ไม่แน่ว่าจะถูกเ้าโกงหรือไม่วันดีขึ้นดีเขาก็โกงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้คอยสอนใจคอยเฝ้าดูใจตลอดเวลาว่าว่างหรือปล่รู้เฉยๆหรือปล่หรือว่ายัางปรุงแต่งอยู่ถ้าปรุงแต่งก็ต้องใช้ ใช้พุทธานุสติหรือใช้ธรรมานุสติสังขารใช้พิจารณาทางปาัญญาแม้แต่จะมีความสามารถว่าจะทําได้อย่างไรในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาทางปัญญากันไม่เป็นยังไม่เข้าใจหลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขงาาังอนัตตาถ้าเช่นนั้นก็ต้องใช้พุทธานุสติไปก่อนหรือธรรมานุสติก็คือการสวดมนต์ สวดบทต่งตางๆไปสวดไปสวดไปเรื่อยๆจกว่าใจจะว่าใจจะสบายใจจะเย็นหรือใจอยากจะหยุดสวดก็หยุดได้ถ้าอยากจะหยุดสวดแล้วก็แสดงว่ามันหมดกําลังนะพลพอสังขารหมดกําลังแนละ้วทีนี้ถึงแม้จะมีอาวิชามาคอยผลักดันมันก็ไม่มีแรงที่จะไปคิดแนละ้วก็จะต้องพักอยู่สักระยะหนึ่ง นี่คือการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อที่ต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อที่ต้องการได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขอย่างในโลกนี้ที่จะดีเท่าหรือนือกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบภายในใจถ้าได้ความสุขภายในใจแล้วจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปเพราะเป็นเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จาก รบับลดสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี้เป็นเหมือนความสุขในระดับพื้นดินส่วนความสุขที่ได้รับจากความสงบ ข, ของใจนี้เป็นเหมือนความสุขในระดับทองฟา้ายิ่งใหญ่ไพศาลมากมายกายกองนี่แหละคือเป้าหมายของนักปฏิบัติทั้งหลายก็เพื่อให้ได้พบกับความสุข น, นี้ จะพบได้ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปปล่อยวางสิ่งภายนอกกายก่อนเช่นรางยุทธันเสริญรูปเสียงกลิ่นนุษย์โพธิะบุคคลต่างๆบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปล่อยให้หมดแล้วก็มาปล่อยขันธ์หน้าปล่อยร่างกายคือรูปแล้วก็ปล่อยนามขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขานธ์ยี่ยน แล้วก็ต้องไป่อยธรรมารมที่มีในจิตอีกชั้นหนึ่งเป็นสิ่งใดที่ยังมีการปรากฏขึ้นถึงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเสมอไปถ้ามีเกิดก็จะต้องมีดับถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมาถึงแม้จะเป็นความสุขอันละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจมันก็ไม่เที่ยงมันก็ยังมีการมีการเสื่อมได้ ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วจะไม่มีวันเสื่อมถ้าเป็นความสุขที่มีความเสื่อมก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ทันว่าอันนี้เป็นใจแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดติดไม่ได้ไปยึดติดกับสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องทุกข์ใจเสมอแต่ยึดติดได้ก็สิ่งเดียวคือสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดอย่างนั้น จะว่ายึดติดก็ไม่เฉยจะว่าไม่ยึดติดก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่มันมีติดอยู่กับใจมันเป็นผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ที่เป็นอนัตตาถ้ายังปล่อยวางไม่หมดตัวนี้ก็ยังจะไม่ปรากฏขึ้นมาว่าจะจะถูกสิ่งที่เป็นงานนิจังทุกข์งอนัตตากรอกไว้อยู่นี่แหละคือการปฏิบัติ เพื่อความสุขที่แท้จริงต้องปล่อยวางอุปทานในทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปล่อยวางนา้ำยึดสนับสนุนปล่อยวางร่างกายของเราและของผู้อื่นปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารหยินยานแล้วก็ปล่อยวางธรรมารมณ์ที่มีภายในจิต ไว้าวางได้หมดแล้วนะใจก็จะว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาอีกต่อไปเวลาที่ต้องดูแลรักษากับการที่ไม่ต้องดูแลรักษาอันไหนจะดีกว่ากันเวลาต้องห่วงกับเวลาไม่ห่วงนี้อันไหนจะดีกว่ากันเวลาที่ต้องห่วงกับเวลาที่ไม่ต้องห่วงอันไหนจะดีกว่ากันเวลาที่ ต้องพัดภาคจากกันกับเวลาที่ไม่ต้องพัดภาคจากากันอัไหจะดีกว่ากันให้พิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆให้ดูใจอยู่เรื่อยๆดูว่าเรากําลังปิดไม่แมฆอยู่หรือเปล่าดูว่าเรากําลังเจริญธรรมาธรรมาปัจจยสังขารอยู่หรือเปล่าด้วยการเจริญพุทธานุสติหรือด้วยการเจริญบทสวดมนต์ธรรมานุสติหรือด้วยการใช้ สัตว์แต่ว่ารู้ใช้สติให้รู้อยู่เฉยๆให้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้มีความคิดตกรูดังคิดไปในเรื่องอดีตก็ดีเรื่องอนาคตก็ดีเรื่องใกล้เรื่องไกลก็ดีอย่าไปคิดถ้าไม่มีความจาเป็นจาเป็นจะต้องใช้ความคิดความคิดนี้ก่อให้คิดเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องคิดเลขถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้มันอย่าไปใช้มัน เราไม่ใช้เครื่องคิดเลขไปตลอดเวลาคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นเพียงตัวเลขบางทีเราคิดว่าเรามีเงินร้อยล้านถ้าไปฝากแล้วจะได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบปีหน้าจะได้เพิ่มอีกกี่ตังค์คิดไปมันก็ป่วยการอะรเปลาเพราะเราไม่มีเงินจริงๆไว้ใช้คิดเวลาที่มันจําเป็นจะต้องคิดซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องคิดไปในทางปัญญาถ้ายังมีความหลง อ, อยู่ ถ้าใจยังคิดไปในทางยึดติดอยู่ยังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ยังไม่ตกกะลวนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นตอนนี้วิตกว่าปีหน้าเขาทำนายว่าห้ามจะท่วมมากกว่านี้โลกจะแตกไม่ห่วงมันทําไมมันก็มิจังทุกข์ขันธ์ตาอยู่ดีมันก็หนีไม่พ้นมันจะแตกก็ต้องแตกมันจะท่วมก็ต้องท่วมหน้าที่ของเราก็คือต้อเตรียมตัวรับมันเดีมีอะไรทําได้ก็ทํา น้ำจะท่วมก็นขนของหาวิธีขนของขึ้นข้างบนให้อยู่ที่สูงอย่าเก็บของไว้ในที่ต่ำเข็ดแล้วไม่เจ็บแล้วไม่จำนี่ยังไงไม่เข็ดได้ยงไงอยากจะกลับไปอยู่แบบเดิมอเลยเดี<ม>๋ยววันมาก็ทุกข์อยู่เลยอนนี้ชั้นนางก็อย่าไปเอาของอะไรไว้ถาวรเป็นของที่เคลื่อนเคลื่อนเคลือค่อนที่ได้เตรียมพร้อมเสมอจนถึงเวลา น้ำมึนหน้าน้านามา ก, ก็ขนย้ายกขึ้นไปไว้ข้างบนเตรียมตัวไว้แต่รุ่งหน้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาอย่างนี้ถึงเรียกว่าฉลาดถ้าเตรียมตัวลรําแล้วก็จะไม่วิตกกังวลถ้ามันโรคจะแตกเลยก็ตายก็แตกไปเรากลั ว, วเราจะตายก่อนโรคแตกมากกว่าไอ <c oughs> ตัวเรากับไม่กลัวตาย <c oughs> กลัวโลกแตกมากกว่าโลกมันแตกย่างกว่าเราตายเยอะหลายหลายร้อยเท่าโลกมันมีอายุไ ข, ขายยาวขานาด น, นั้นอายุเท่าไหร่อายุของเราอย่างมากก็เก้าสิบร้อยหนึ่งโรคนี้มันเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านปีมันจะมาตายพรุ่งนี้ก็ให้มันรู้ไปเลยมันจะได้ <laughs> ก็จะได้เป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาเจอโรคแตกความไม่ใช่ไม่ใช่ของงานที่จะได้เจอโรคแตกสักครั้งหนึ่งเราะนั้นอย่าไปกลัวถ้าเราพิจารณาด้วยตายพิจารณาตายรักพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวนุกอย่างมันเป็นธรรมดาแล้วสิ่งที่มันแตกมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไปกลัวทำไม เราไม่มีวันแตกเราไม่มีวันตายแล้วกลับไปกลัวแทงเขาทาไมเนี่ยนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมต้องรู้ทันต้องฉลาดต้องให้เกิดปัญญาอย่าไปปฏิบัติเพื่อเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงว่านี้เป็นเรื่องของโมหาวิชาวางนั้นเป็นมิจฉาสมาธิางนั้นปฏิบัติเพื่อต้องการหยุดความคิดปูแตกให้จิตเป็นสัตว์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอันนั้นต่างหากคือ เป้าหมายของการปฏิบัติถ้านั่งไปแล้วเห็นนุ่นเห็นนี่แสดงว่ายังไม่สงบถ้ามันสงบแล้วมันจะไม่เห็นอะไรมันจะว่าถ้าเห็นจิตมันก็จะไม่นิ่งมันไม่นิ่งมันก็ยังไม่เป็นสมาธิออกจากการนั่งแบบนี้ออกมาก็จะไม่มีกำลังที่จะมาพิจารณาทางปัญญากิเลสและวิชาปฏิยาสังขาราก็จะเดินไปหมดเลย ออกมาปั๊บก็หิวงามเนยะอยากจะดืมของหวานของเปรี้ยวขึ้นมาล้อันนี้นละอวิชยาปัจญาสังขารแล้วคิดไปในทางการมาตัณหาถ้าอยู่ในสมาธิที่สงบนิ่งว่างออกมาแล้วจะเฉยเฉยจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรอันนั้นแหละคือสมาธิที่ถูกต้อง อย่าไปสนใจเวลาใครเขาพูดให้ฟางวันนั่งเห็นนเห็นนี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์เห็นอนาคตเห็นอดีเรื่องแบบนี้เห็นไปก็เท่านั้นน่มันไม่เป็นประโยชน์กับกับจิตใจมันไม่ได้มาชำระกิเลสปัญหาที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดไปถ้าจะเห็นก็ขอให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นนอนนอนตายอยู่เห็นว่าเขากำลังจับเราเข้าลง ดับเราเข้าไปในเมรเห็นเขาเผาร่างกายเราเจนกระทั่งกายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปถ้าเห็นให้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วมันจะสลดสังเวชมันจะตรง ม, มันก็จะเห็นว่าอ๋ร่างกายเรามันในที่สุดมันก็แค่นี้เองในที่สุดมันก็ไปไปที่เมนนเงไปที่เตา่ามันไม่ได้ไปไหนหรอกดิ้นกันแทบเป็นแทบตายกลัวกันแ้าเป็นแทบตา ย, าาาตายมันก็ไปจบที่ตรงนั้นแหละ โลกจะแตกไม่แตกมันก็ไปจบที่ตรงนั้นเหมือนกันคิดอย่างนี้เราใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่หวาดกลัวใจจะสงบจะเย็นจะสบายนป็นการปฏิบัติเขาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังก็คืออริยาาสัจสเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ น, นิจจังก็เห็นความตายเห็นความดับอนัตตาก็เห็นว่าเป็นเพียง ธาตุสี well, ่ดินน้ำลมไฟไม่ใช awesome ่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่กับอยู่ตรงนี้มันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟทั้งนั้นร่างกายของพวกเราก็ดินน้ำลมไฟกติัรงนี้ก็ดินน้ำลมไฟภูเขาตรงนี้ก็ดินน้ำลมไฟมันมีแต่ธาตุทั้งนั้นถ้าถึงเรียกว่าโลกกับธาตุเราเป็นหลงมันเองว่าเป็น ต้นไม้เป็นภูเขาเป็นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสมมุติทั้งนั้นแหละเป็นเป็นตัวเราของเราขึ้นมาไปจับจองที่ดินกันว่าเป็นของเรากันมันเป็นของใครมันไม่เป็นของใครมีใครเอาไปได้มันก็อยู่ตรงนี้ของมันอย่างนี้มันมันอยู่อย่างนี้มาก่อนเรามาแล้วมันก็ยังอยู่ต่อไปหลังจากที่เราไปแล้วมันจะเป็นของเราได้อย่างไร ใช่ไหมมันเป็นเพียงของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้ก็อยู่ไปมีมีอยู่ก็ดีไม่มีก็ไปหาที่ใหม่อยู่อยู่อย่างพระเนี่ยอยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเรือนร้างก็ได้อยู่ตามถาม้าตามเนื้อผาก็ได้ขอให้ที่มันสงบเท่านั้นะเป็นที่สปายะหรือที่สงบเพื่อที่เราจะได้สร้างพลังให้แก่ใจ เพื่อที่เราจะได้หยุดกระแสของอวิชาปฏิยาสังขารนี้ถ้าเราไม่มีพลังคือควาสมสงบนี้เราจะไม่มีความสามารถที่จะหยุดกระแสของอวิชาปฏิยาสังขารได้เมื่อหยุดมันไม่ได้เราก็จะฆ่ามันไม่ได้เหมือนก่อนที่เราจะจะจะจับวัวจับความมาข้ามถ้ามันยังวิ่งได้เราก็ต้องวิ่งไปจับมันมาให้มันให้มันหยุดก่อน จับมันมาให้มันหยุดผูกมันไว้ก่อนแล้วเราถึงจะข้ามันได้เอาวิชาคือกิเลสก็เช่นเดียวกันเราต้องหยุดมันก่อนหยุดมันด้วยพุทธานุสติหยุดมันด้วยธรรมานุสติหยุดมันด้วยอานาปานาสติเมื่อหยุดได้แล้วทีนี้พอออกมาจากสมาธิออกมาจากความสงบพอมันโผล่ยับขึ้นมาปุ๊บก็ใช้ปลายลัคน์เข้าไปตัดทันทีเลย ว่คิดอยากจะไปหาของดื่มมาดื่มปั๊กก็บอกถึงเวลาดื่มไม่ยังใครอยากจะดื่มกนะันนี่ยร่างกายหรือกิเลสถ้าร่างกายอยากจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าไปถ้ากิเลสก็อยากจะดื่มของเปรี้ยวของหวานของมันของเค็มอันนี้ยังไม่ถึงเวลาอันนั้นต้องรอเวลาฉันอาหารก่อนอันนั้นอันนี้ให้วันละหนึ่งครัง้งฉันวันละหนึ่งมือ้อ ตอนนั้นจะรับประทานอะไรเปิดให้รับประทานให้เต็มที่เลยของเค้าของหวานขนมน ม, นมเนยอะไรทั้งหยา่างทั้งหลายกินเข้าไปอโหร์เดียวหลังจากนั้นนะถ้ากินเพื่อร่างกายก็น้ํำต่อๆก็พอไม่ต้องใช้ปัญญานี่คือการใช้ปัญญาต้องคิดแบบนี้อย่าปล่อยให้ไหลไปตามความอยากพอเปรี้ยวปากขึ้นมาก็อยากจะ ห, หาของเปรีป้ยวเี้วหวานหวานมาดืม่มมารับประทาน ขนมนมหน่อยมากินแทนที่จะไปเดินจงกรมหรือไปนั่งสมาธิเพื่อทำเพื่อลังับเกพื่อลังับการมตัคหานี้กับไม่ทาถ้าไม่หยุดมันมันก็มันก็ไม่มีวันหยุดถ้าหยุดมันไปเรื่อยๆต่อท้านมันไปเรื่อยๆใช้ปัญญาสอนมันไปเรื่อยๆจนเห็นว่าการมตัญหานี้มันเป็นทุกข์นะมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ พอ เ, เห็นอย่างนั้นแล้วต่อไปก็จะไม่ไม่กล้าอย่ากอีกต่อไปอยากมันทำไมอยากก็ทุกอย่ากมันทำไมทุกไม่อยากดีกว่าไม่อยากแล้วสบายไม่ทุกมีความสุขดังนั้นเราต้องเปรียบรื่อง่กันอยากกุ๊กเคลีกันถ้ากุ๊กเคลีกันแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้เรื่องลูกเสียงเกล็ดรถโพธภิภพ ที่ไหนหน้าไปรับประทานร้านไหนอาหารอร่อยที่ไหนหน้าไปเที่ยวของอนไรกำลังมาใหม่กำลังมาแรงอยากจะได้อยากจะซื้อกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันก็ได้ความทุกข์ขึ้นมาต้องมาดูแลรักษาต้องมาปวดหัวกับมันเวลามันเสีย เวลามันหายไปยถ้าใจเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เราต้องรู้ทันว่ามันกำลังพาเราไปสู่ความลความความทุกข์แล้วทางที่ถูกก็คือต้องไม่อยากได้อะไรนอกจากสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายคือปัจจัยสี่เท่านั้น mm hmm. ก็ไม่จำเป็นจะต้องหรูหราจะไม่ต้องเต็มรูปแบบอยู่แบบไหนก็ได้ ไม่มีบ้านอยู่เช่าเขาอยู่ก็ได้ไม่มีเงินเช่าอยู่ใต้สะพานก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้พอมันหลบแดดหลบฝนป้องกันไม่ให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ได้แล้วอย่าไปพิถีพิถันอย่าไปยุ่งยากไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสิ่งจนเดมการหาหาธรรมะกันเราต้องจิตใจเราต้องคิดถึงการฝ่หาธรรมะอยู่ตลอดเวลา แ้้วการหาสิ่งอื่นๆนี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปจะเป็นเรื่องไม่สำคัญเอาเท่าที่จำเป็นรับประทานอาหารก็เอามื้อเดียวมีอะไรก็ได้มีอะไรฉันก็รับประทานเข้าไปพอให้มันอิ่มท้องก็ใช้ได้ที่หลบแดดหลกฝนที่นรงไหนหลบได้ขอให้ที่ตรงนั้นมันสงบก็แล้วกันอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มันมีเสียงมีเรื่องราวต่างๆเราลบกวนกัน ทำจิตใจให้สงบเพราะตอนนี้เราต้องการสร้างพลังให้กับใจสร้างกําลังให้กับใจความสงบนี่แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ของใจความสงบนี้หยุดกิเลสได้เพียงแต่ฆ่ามันไม่ได้ต้องฆ่าด้วยปัญญาแต่ก่อนจะฆ่ามันได้ด้วยปัญญาต้องต้องหยุดมันก่อนตัดต้องตัดกําลังมันก่อนพอมันหยุดมันแล้วทีนี้ก็ใช้พกใช้ปัญญาเข้ามาจัดการกับมันได้ พอมันโผล่ออกมาอยากจะได้อะไรก็ตัดอยากจะได้อะไรก็ตัดอยากจะมีอะไรก็ตัดอยากจะเดืมอยากจะรับประทานอะไรก็ตัดอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้ก็ตัดห่วงคนนั้นหงคนนี้ก็ ต, ตัดตัดไปให้หมดเลย่าจจะกระทั่งไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจลแล้วก็จะอยู่อย่างสบายตาน้ั้นเขาก็ยังอยู่ ข, ของเขาอยู่แล้วเขายัง เราก็ยังเจอกันได้ยังพบกันได้ยังติดต่อกันได้แต่มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันติดต่อแล้วมันห่วงใหยกันติดต่อแล้วมันติดเลยไม่ยอมมันไม่ยอมแยกแต่ถ้าไม่มีไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะติดต่อกันกี่ครั้งมันก็พอพอเสร็จธุระแล้วมันก็แยกกันไปหลังคงต่างอยู่สามคนต่างไปไปตามกําลังของบุญของบาปของแต่ละคน ทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของตนอันตาหินอัตนโนนาโถครูบาาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงมีหน้าที่คอยสอนให้เรารู้จักทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นที่พึ่งที่แท้จริงคือตัวเราแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางทางผู้บอกทางถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ตัวเราเป็นที่พึ่งของเราเองได้ ดังนั้นก็ต้องพึ่งพระพุทธประธานพระสงค์ต้องเชื่อพระพุทธประธานพระสงค์แล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธประธานพระสงค์ที่สอนให้เราไปปิดมิ้วมิ้วให้เราไปภาวนาให้เจริญสติให้เจริญสมาธิให้เจริญปัญญาให้ทำอย่างนี้ไปจนกว่าจิตจะเป็นอิสระจนกว่าจิตจะหลุดพ้นจากพันธะต่างๆ ดุจพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเมือ่อดุจแล้วก็จะรู้เองว่าตอนนี้เป็นอิสระแล้วลุดพ้นแล้วจากพันธะทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะมาเป็นพันธะกับจิตใจอีกต่อไปเมือ่อดุจแล้วก็จะรู้เองว่างานที่ทำมาท้าเป็นท่าลายนี้ได้ถึงวันสิ้นสุดแล้วเสร็จกิจแล้วผู้ศตัทธาบ ร, รจารยอย่างแล้ว กิจในพรมอาจารย์นี้เสร็จสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปไม่เหมือนกับกิจทางโลนทำไปวันตายก็ไม่มีวันจบหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นมาให้ทำไม่มีก็ใจมันก็คันก็ไปหาเรื่องทำเองอดีเก่าไม่ถูกที่ท้านเหรที่มันคันไม่เกา่าไปเกาที่มันไม่คันไปสร้างนี่สร้างนี่ไปหา อะไรมาเพิ่มแต่มมีเท่านี้ไม่พออยากจะได้มากกว่านี้ไอ้ตัวที่เป็นตัวปัญหาคือไอ้ความอยากนี้กลับไม่มาไม่มาแก้มันไอ้ตัวคันก็คือตัวความอยากนี้เองอยู่เฉยๆแล้วไม่เป็นสุขอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรแล้วมันเสร็จมันคันถ้ามันคันในใจก็ต้องไปเกานในใจเพื่อไปเกาที่ความอยากนั้นอยากแล้ก็หยุดอยากเสีย ทำจิตให้สงบใช้ปัญญาดับมันมันก็จะหา ย, ยอยากนี่เองพอหายอยากแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรให้เหนื่อยยากทำไปแล้วได้ตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีดังนั้นขอให้เราพุ่งเป้าไปที่ธรรมะพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาด้วยการฝึกวิเวกไม่คุกกรีกันแล้วผล ที่พระพุทเจ้าและภาษาพวกทั้งหลายได้รับ ก, ก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อน ม, มีวาสนาอยู่อย่างเคยตั้งแต่บวชมาไม่เคยได้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไหนเลย<ม>แต่ก็ถือหลักว่าองค์ไหนก็เหมือนกันเหมือนกันที่คำสอนสอนเหมือนกันทุกองเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็จะสอนเหมือนกันสอนให้ทําบุญละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เลยไม่เคยคิดว่าอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์รูปไหนเลยองไหนเลยกราบรูปเดียวอยู่กับ ร, รูปเดียวก็พอลวเหมือนกันสอนเหมือนกันอาจจะต่างทางอุบายทางอุบายการสอนอาจจะต่างกันแต่สอนแนวเดียวกันศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญาถ้าใครสอนนอกทางนี้ก็อย่าไปเชื่อเดี๋ยวนี้จะมีมีความหลงผิดเห็นว่า การนั่งสมาธิการเจริญสมาธินี้ไม่จําเป็นให้เป็นปัญญาชนแนละ้ให้เจริญปัญญาได้เลยปัญญาจะได้บรรลุอย่างฉับพลันเดี๋ยนี้นิยมไปอ่านหนังสือของทางเซนศาสนาเซนเราเห็นว่าเซนนี้สอนทางเจริญปัญญาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาสอนพระที่นั่งสมาธิวันละสิบห้ชั่วโมง อยู่แบบอดหดหยาบยาอยู่แบบมักน้อยสังดดแต่ผู้ที่เป็นปัญญาชนนี้อยู่แบบคำว่าอยู่ท่ามกลางความสุขของรูปเสียงกินรถพลิภาแล้วก็จะมาเจริญปัญญาเพื่อให้บรรลุอย่างฉับทันมันจะบรรลุได้อย่างไรเมื่อถูกกิเลสมันผูกมัดไว้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนหลับนอนก็นอนห้องแอร์กินด้กินสามสี่เวลา มีเครื่องบันเทิงไว้คอยตอบสนองตัญหาอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ขอเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็แล้วก็จะบรรลุอย่างฉับพันเขาสอนแบบวิธีง่ายๆบรรลุง่ายๆมีคนยังเขาก็บอกว่าเขาก็หลงผิดไปเขาก็ เขาไปอ่านหนังส like so ือเซ็นนี่มาแล้วก็ปฏิบัติเท่าไหร่มันก็ยังไม่บรรลุสักทีเขาก็เลยไปคุยกับอาจารย์สาคอคุยไปคุณมาอาจารย์สาคอนบอกว่าต้องใช้สมาธิต้องมีสมาธิก่อนเขาก็ไม่ยอมเชื่อท่านก็บอกว่าให้มาคุยกับเราเพราะเขารู้จักกันเราหมอคนนี้ก็รู้จักกันเราเขาไปมาศึกษากับเราแต่ดับหลังเขาหายไปหายไป3ามสี่ปี เขาก็กลับมากลับมาก็อธิบายเขาฟังเขาฟังว่าที่เข้าสอนทางเซนนั้นเขาสอนพระพระที่มีสมาธิแล้วเหมือนไปพระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์ตรงนี้เขามีสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าแสดงทางปัญญ า, าท้องสามารถพิจารณารัตับได้เขาตัดความกลัวความตายได้ใช่พระอัญญาณโคนทะยะ พอฟังว่าก็มีการเกิดต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาความกลัวตายของท่านก็หายไปท่านยอมตายท่านรู้ว่าไม่มีใครหีความตายไปไม่เพความกลัวตายนี่นะเป็นสมุทยัยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาท่าไม่อยากใชทุกข์ใจก็ต้องไม่กลัวตายต้องยอมตาย แต่คนที่ยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสติดอยู่กับนาบยศสารเสนจะปรงไม่ได้หรอกปรงไม่ได้กอธิบายก็ฟังเขาก็เลยยอมรับแลว้วก็ตอบไป้จะต้องกลับไปทำสมาธิก่อนพรามันไม่ใช่ของง่ายการทำสมาธินี่มันยากยากมากแล้วปัญญามันยากกว่าสมาธิต้องหลายเท่า ถ้ายังทำสมาธิไม่ได้แล้วจะไปทจเจริญปัญญาได้อย่างไรสมาธิเพียงแต่บริกำพุทธโธพุทธโธไปเท่านั้นเองยังทําไม่ได้ไม่มีกําลังที่จะเดินจิตให้มาทําบริกรมพุทธโธพุทธโธได้สองคำเดี๋ยวกิเลสก็ลากไปแนละ้วคิดลากไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เพราะไม่จเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องมาบริกำพุทธโธตอนเวลานั่งสมาธิเท่านั้นไม่พอ ต้ถ้าจะใช้พุโทโธก็ต้องใช้พุโทโธไปทั้งวันเลยบริกรรมพุโทโธไปพุโทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าว่าถ้ามันเหนื่อยแล้วใจมันไม่คิดอะไรก็หยุดก็ให้รู้เฉยๆก็ได้ถ้ามันไม่คิดอะไรก็รู้เฉยๆให้รู้ว่ากาลังทําอะไรอยู่แต่อยา่าปล่อยให้คิดถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็คิดเท่าที่เรื่องที่จําเป็น ต่อการดำรงชีวิตต่อการทําการทํางานก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาเฝ้าดูใจให้ว่างให้รู้เฉยเฉยให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายต่อไปถ้ามันดื้อจะคิดเราก็ต้องใช้การพลเรียนกรรมเหมือกรรมพุโทโธไปหรือจะใช้การสวดมนต์ไปภายนใจกระดาษหมดไปเรื่อยๆอย่าให้คิดเรือเ่อยเปื่อย อย่าให้เราจะก็ อ, อย่างนี้อย่าให้คิดไปในทางอาวิชชาปฏิยาสังภารอย่าไปคิดในทางรักทางชางังทางกลัวทางหลงถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะเกิดสมุทัยความวุ่นวายใจขึ้นมาพอรักอะไรแล้วก็หวงขัวง ว, วิตกกังวลไม่เห็นหน้าหน่อยเดียวก็ใจว่างนละพอถึงเวลาที่จะต้องเห็นหน้า ก, กันแล้วไม่เห็นกันก็วุ่นวายใจนะ ถ้าจะคิดก็ต้องคิดว่ า, ามันมแน่ๆไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแทน่นอนอาจจะไม่เห็นกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรือไม่เห็นกันเลยก็ช่วยไม่ได้เมื่อมันถึงเวลาที่จะไม่เห็นกันเลยจะต้องจากกันเลยก็ต้องจากกันมันเป็นคติธรรมดาของโลกเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเกิดกลารดับการเกิดการดั บ, มดดบไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเรา ทุกอย่างเป็นเพียงทางสีดินน้ำลมไฟต้องพยายามคอยควบคุมใจของเราถ้าไม่ควบคุมใจมันก็จะไหลไปตามกระแสของอวิชชาปฏิยาสังขารลราไม่เชื่อลองลองคิดดูตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้เราคิดอะไรบ้างคิดไปทางอ น, นีจจาทุกขออนนันวัณตากรนร่างหรือเปล่าหรือกคิดไปทาง ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้รื่ อ, อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ปล่อยวางปล่อยให้มันติดไป ต, ตามตามเรื่องของเขาเลยอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เขาเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยก็ดับไปเราไปยุ่งกับทําไมเราทำใจของเราให้ว่างให้สบายดีกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะดับมันก็ไม่มา กระทบกรเทนกับใจของเรามันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงใจของเราใจของเราก็ยังเป็นผู้รู้เหมือนเดิมหรือแต่เป็นผู้รู้ที่ยังเหนียวิชาเป็นผู้นําชักชักยาวอยู่เบ้องหลังเั่านั้นเองมาก็ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้มาเกิดขึ้นจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏกี่ละกี่ร้อยพระองค์ก็ยังไม่มาเปลี่ยนแปลงไอ้ตัววิชาที่มันคอยชักยาวอยู่ในใจของเรา มันอยู่ที่เราเท่านั้นแนหะที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงใจของเราได้เปลี่ยนแปลงด้วยการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างขมักขันเณอย่างไม่ท้อถอยเพียนแบบไม่ถอยเพียนแบบต่อเนื่องพยายามตัดภารกิจการงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับความเพียรออกไปให้หมดเอาเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้น มาแก้ปัญหาของเราเถอะเพราะว่าไม่มีใครมาแก้เราให้เราได้โลกจะเกิดโลกจะดับ ม, มันไม่มาแก้ตัวนี้พระพุทธเจ้ามาปรากฏกี่พระองค์ก็ไม่มาแก้ตัวนี้ถ้าเราไม่แก้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าพระพุทธเจ้ามาแก้ให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์้าเอาหารกี่ลูกก็มาแก้ให้เราไม่ได้ท่านเพียงแต่มาคอยสอนมาคอยเตือนเราเท่านั้นเองนี่คืองานของพวกเรานะ งานของพวกเราก็คือการดับจับอวิชชาปัจยาสังขารไอตัวนี้เป็นตัววัตตจักตัวที่นำพาไปสืบพบชาติทั้งหลายก็เริ่มต้นที่อวิชชาปัจยาสังขารถ้าดับอวิชชาได้แล้วตัววัตตจักมันก็จะหยุดทำงานทันทีกลจับที่หมุนติ้วติ้วนี้ก็จะ ห, หยุดหมุน ท, ทันทีหยุดด้วยกำลังของธรรมจัก ธรรมจักรนี่แหละที่เป็นตัวที่จะมาตัดวัฏจักรตดวิชชาปติยาสังขารทำให้ใจนี้เข้าเกี่ยวว่างเหมือนรถที่เข้าเกี่ยวว่างถ้ารถเข้าเกี่ยวว่างแล้วก็สบายคนขคับก็ไม่ต้องเหนื่อยจอดอยู่เฉยแต่ถ้ามันเข้าเกี่ยวแล้วนี่ต้องคอยคอยนั่งคอยเฝ้าคอยระมัดระวังคอยคอยควบคุมรถอยู่ตลอดเวลา มันทำใจให้ว่างท ำ, other, ทำใจให้หยุดคิดปรุงแต่งได้แล้วก็วจะมีความสุขคือคิดปรุงแต่งไปทางอวิชชาปัจยาสังขาราความคิด e, ปรุงแต่งนี้มันไม่หยุดมันก็ยังทำงานของมันอยู่หลังจากที่อวิชชาปตัตยาสังขาราถูก ท, ทำลายไปแล้วขันมันก็ยังทำงานอยู่แต่มันไม่แต่มันไม่คิดไปในทางอวิชชาปตัตจยาสังขารามันจะคิดไปในทางทธรรมปฏิยาสังขาราเสนอ มันจะคิดปล่อยวางคิดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไปเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามีความจำเป็นถ้าเข้าไปแล้วทำอะไรได้ทำให้เกิดผลที่ดีได้เป็นประโยชน์ได้ก็ทาไปถ้าทำไม่ได้ก็กปล่อยไป นามขันของพระพุทธเจ้ากับของพุทุชนนี่ก็ยังมีอยู่เหมือนกันรูปประขันก็ยังมีอยู่เหมือนกันขันห้าของพระพุทธเจ้าของพระอรหันกับขันห้าของพระของพุทุชนนี่ก็มีเหมือนกันขันนี้ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่กิเลสที่ไปยุ่งเกี่ยวกับขันนี้หรือเปล่าถ้ามีกิเลสมันก็จะเอาขันนี้ไปทําเรื่องของกิเลสไปเอาไป ทำตามความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความโกรธความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าไม่มีกิเลสมันก็จะไม่คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงมันจะคิดไปตามเหตุตามผลขันนี้เหมือนกันขันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหาคือกิเลสคืออวิชชาอวิชชาก็คือพ่อ พ่อแม่ของกิเลสทั้งหลายออกมาจากาวิชาปฏิอาสังฆารพอพ่อแม่ตายแล้วลูกๆ ก, ก็จะตายอยู่กิเลสตัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปขันก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันแผ่นดินหกกิเลสตายไปหมดในพระทยันน ย, ยของพระองค์บรรลุถึงพระนิพพานแล้วใจของพระพุทธเจ้าเป็ น, นิพพานแล้วสะอาดบริสุทธิ์แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ยังใช้ขันนี้มาสแสดงธรรมให้พวกเราฟังกัน เป็นรรมปฏิยาสังขาลาคิดไปในทางธรรมเสออย่างที่เวลาที่พระเจอกันนี้ถ้าเป็นพระเป็นพระอริยะท่านก็จะสนทนาธรรมเรามักจะเห็นเวลาที่เขาถ่ายรูปอุบาจาร์นั่งสนทนากันท่านจะมักเห็นว่าท่านสนทนาธรรมกันเขาจะไม่เก๋ว่าท่านสนทนาการเมืองการบ้านการอะไรกัน ไม่เหมือนพวงเรานี่เวลาคุยแบบนี้ไม่ค่อยไม่สนธนาเรื่องธรรมเลยสนธนาแต่เรื่องตลาดหุ้นบ้างสนทนาเรื่องการเมืองบ้างสนธนาเรื่องชาวบ้านบ้างเพราะใจวันเรามันเป็นอวิชชาปัจจยาสังฆ า, า ใ, ใจของพระอาหารหันต์นี่ท่านเป็นธรรมาปัจจยาสังฆ า, าท่านจะโกยแต่เรื่องธรรมะตลอด เราท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองถ้าเราทําเองไม่ได้ในเบื้องต้นก็ต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เพราะอยู่ใกล้ชิดกับท่านท่านก็จะคอยกําลาความคิดของเราให้เราคิดอยู่ในกรอบของธรรมเช่นอยากจะลาท่านไปข้างนอกท่านก็จะไม่ให้ไปอยู่กับหวงตานี้ท่านไม่ให้้าออกไปข้างนอกว่า ให้อยู่ในวัดให้ท่านมีแต่จะคอยเข้าไล่เข้าทางจงกรมอยู่เรือ่อยท่านก็เช้าหลบแอบออกมานั่งอยู่แถวลงน้ําชาน้ําร้อนอยู่เร่อยท่านก็ต้องคอยเดินออกมาตรวจดยูเรยทุกทุกสิบ้านาทีทุกพึ่งจะลงท่านจะเดินมาทีเถ้าเห็นข้าง้างแรงนี่ท่านไม่พูดอะไรแต่ออกมาครั้งเห็นอยู่เดี๋ยวโดนนะท่านยังอยู่ตรงนี้เหรอไปชันไปถึงไหนกันทําไมไม่ไปเข้าทางจงกรมเอ ถ้ามันไม่ไปนั่งสมาธิกันมีครูบาอาจารย์ก็ดีอย่างเนี้ยท่านจะคอยคอยกำหลับความคิดที่เป็นอวิชชาปัตจยาสังขารให้เราคิดไปในธรรมาปัตจยาสังขาร<ม>แต่ถ้าไม่อยู่กับข้าง น, นี้กิเลสมันเบอก บ, บานมันโอ้สบายไม่มีใครมาคุม <laughs> อยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะทำอะไรก็ทําได้ เหมือนกับพระที่รูปหนึ่งที่ดีใจตอนที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานโอ้ดีใจอย่างนี้ไม่มีใครมาคอยห้ามเราเนะเราจะทําอะไรก็ทําได้อย่างเต็มที่อ น, นี้แหละเป็นความคิดของอวิชชาปัจจยาสังคาล่ะเพราะไม่รู้ว่าการกระทําอะไรที่ไปทางติเหลห์นี่มันเป็นโทษทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นคุณการไม่กระทําดังนั้นที่เป็นคุณ คือการอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆแล้วอยู่เป็นสุกนี่อันนี้แหละเป็นคุณอย่างยิ่งพวกเราอยู่กันไม่เป็นสุกกันเลยต้องไปหาอะไรทากันทำไมไม่ทำใจให้มันสงบให้มันเป็นสุกเนยปัญหามันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เงยน้ำเง้ พอนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวมองเห็นบ้านก็ไม่สวยแล้วต้องเปลี่ยนสีใหม่แล้วต้องทาสีใหม่เปลี่ยนม้านใหม่เปลี่ยนเฟอร์นเิเจอร์ใหม่ไอ้ น, นี่เราเรียกว่าอยู่อยู่ไม่เป็นสุข <c oughs> อยู่ไปเถอะพอมันหลบแดดหลบฝนได้ก็โอเคแล้วมันจะสวยไม่สวยก็เรื่องของมันไม่สำคัญ มันสวยงามมันก็ไม่สุขเท่ากับอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขความสุขที่อยู่อยู่เฉยๆได้นี่เป็นความสุขมากกว่าอยู่ในบ้านสวยๆอยู่ในบ้านสวยๆแล้วอยู่ไม่สุขนี่มันก็ไม่สุขอยู่างเงี้ยอย่าไปกังวลเรื่องความสวยงามดวงตาท่านได้เน้นในเรื่องการสร้างเสิ่งสวยสวยงามต่างๆที่ว่าตามันตานี้จะสร้างจะก็ทำใช้เท่าที่จําเป็น ไม่ต้องการอยูุ่นวาแต่จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านเน้นก็คือความละเอียดการสร้างการทำอะไรนี้ให้ละเอียดเพราะมันบ่งถึงการใช้ปัญญาละเอียดเรียบร้อยอันนี้แต่ไม่ต้องการความเสือ่อมงานเพราะว่าการที่จะทำอะไรให้ละเอียดเรียบร้อยได้จะต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นการฝึกสติปัญญาไปในตัว ถึงแม้ว่าจะใช้กับสิ่งภายนอกก็ตามแต่มันก็จะเป็นเครื่องมืออันเดียวกันที่ต่อไปจะสามารถเอาไปใช้กับกับภายในได้ฉจะนั้จะทำอะไรก็ทำด้วยความละเอียดเรียบร้อยรอบคอบอย่าไปทำเพื่อให้มันสวยงามให้มันมือูหลาใช้หลักเหตุผลคือ ใช้การการใช้งานเป็นหลักว่าใช้งานได้หรือไม่ถ้าใช้งานได้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปหรูหราอย่าไปเสียเวลามากกับการทำงานภายนอกเพราะจะทำให้ไม่มีเวลามาทำงานภายในนั่นเองให้ทางานภายในให้มากทำจนท่างงานภายในหมดแล้วหมดแล้ทีนี้ก็สบายแล้ว งานภายนอกก็ไม่อยากจะทำอยู่ดีไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปมันก็ไม่ได้ผลทางจิตใจเหมือนกับผลที่ได้รับจากการทำงานภายในแล้วคือได้ความสุขเต็มร؛้อยแล้วเมื่อได้ความสุขเต็มร؛้อยแล้วงานทำภายนอกนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้าจะทำก็ทาเพื่อคนอื่นเช่นสั่งสอนอบลมหรือพาให้เขาทำบุญให้ทาน ให้เขาได้ปฏิบัติทำก็ทําไปเพื่อให้เขาได้มีโอกาสสร้างความสุขในใจของเขามากแตะไม่ได้ทาให้ตนเองไม่ทําก็ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่านี้ไม่ได้ทาก็ความสุขก็ไม่ได้น้อยลงไปทําก็ไม่ได้ความสุขเพิ่มมากเกขึ้นไปเหมือ น, น้ําที่มันเต็มก้าวแล้วจะเต็มก็ไปอีกเท่าไหร่มันก็ได้น้ําเท่าเดิมอยู่ดี แต่แต่คนที่ยังไม่มีน้ํานี่ยน้ำยังมีไม่มีนิดเดียวมีสองสมหยดเนี่ยต้องทํา ม, มากๆถ้าเขาไม่มมทําบางทีก็ต้องใช้อุบายให้เขาทําให้ได้อย่างเรื่องการพระาป่าช่วยชาตินี่ก็เหมือนกันนีอันนี้เป็นอุบายของห้องตาให้พวกที่ไม่มีน้ําอยู่ในแก้วจะได้เติมน้ําใส่แก้วบ้างได้ทําบุญได้ทางได้ฟังเทศน์ฟมงธรรม ได้ปฏิบัติทำกันหลวงตาช่วยพวกพวกที่ไม่มีน้ำเนี่ยได้มีน้ําเข้าไปเยอะแยะเลยท่านต้องการสิ่งนี้เท่านั้นแหละท่านต้องการให้พวกเราได้ไ ด, ได้เติมน้ําเข้าไปในเจ้าของเราให้เราได้มีบุญท่านไม่ต้องการเงินทองของพวกเราท่านไม่ต้องการอะไรท่านอยู่เฉยๆท่านท่านก็สบายแล้วไม่ต้องเงินเลย พวกเราถ้อยากจะบูชาท่านก็รีบเติมยาให้เติมแก้ปฏิบัติบูชาอย่าเติมเตมทานอย่างเดียวทานนิดเติมมามากพอลนะควรจะเติมศีลมั่งนันภาวนามัางเติม ส, ม า, ม, า ม, า ม, สมาธิเติมปัญญาด้วยการไปเปวิเวกออกไปอยู่ห่างไกลจากความสุขในบ้านบ้างอยู่ใกล้ กับความสุขในบ้านแล้วมันภาวนาไม่ได้ใจมันจะพาะวะโวนกับตู้เย็น <c oughs> นั่งสมาธิเดี๋ยวก็หิวน้ำนะก็ต้องอยู่นะต้องมาดื่มน้ำก่อนนั่งสักพักเดี๋ยวก็หิวขนมนะ <c oughs> ต้องไปตปิ้กเ้กไปอยู่ที่ ไ, ไกลๆจา ก, กเสียงกลิ่นรสผลตพะ กามาฉันทะนี่คือวิธีปาา่ากลางมาฉันทะต้องอยู่ที่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวัดที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยบำบองบเนาใจเมื่อไม่มีอะไรมาลบยั่วยวนกลนใจมันก็จะได้ทำสมาธิง่าย กอยคิดอยู่เรื่อยๆว่ า, เ, าเวลาของเราก็น้อยลงไปทุกทีทุกทีมันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาที่เหลืออยู่สําหรับการภาวนาก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบตักลงเสียเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติเวลาท่านบอกว่าน้ําขึ้นให้รีดต <c oughs> น้ําก็คือเวลาที่เราจะมีใช้ในการปฏิบัตินนะ ถ้าต่อไปวันเวลาผ่านไปน้ำก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะมีปฏิบัติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีเกินเจ็ดปีถ้าเกิดต่อไปชีวิตเราเหลือน้อยกว่าเจ็ดปีเราก็อาจจะไม่สามารถเสร็จงานภายในเจ็ดปีได้ <c oughs> อย่ากไปสนใจกับงานอย่างอื่นอย่าไปสนใจกับความสุขอย่างอื่นให้สนใจกับงานภาวนาให้สนใจกับความสุขที่จะได้จากการภาวนานี้ทุ่มเทไปกับงานนี้เถอะทุ่มเทไปกับความสุข น, นี้แล้วจะไม่ผิดหวงังจะไม่ขาดทุนจะไม่เสียชาติเกิดเราไปทุ่มเทกับงานอย่างอื่นทุ่มเทกับความสุขอย่างอื่นจะเสียชาติเกิดจะขาดทุนจะไม่ได้กําไรจะไม่จะไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไป ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสที่จะทํางานให้เสร็จภายในชาตินี้ได้จะต้องจะต้องบําเพ็ญบุญกุศลไปนับเป็นกลับเป็นกันเป็นกาจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีผู้ที่จะมาคอยสอนคอยคอยลากคอยจุงคอยกระตุ้นให้เราปฏิบัติให้บรรลุให้เสร็จงานภายในชาตินี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องรอไปอีกนานทีเดียว ต้องเวียนร่ายตายเกิดต้องร้องโหมร้องไห้ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลาดพลา ด, ดจากการกนับไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วนนั่นอย่าประมาทอย่านวนใจให้รีบขนขวายเสียแต่วันนี้ทํางานให้มันเสียเสียแล้วจะต่อไปจะทําอะไรก็ได้อยากจะไปเที่ยวรอบโลกสักสิบครั้งก็ไปได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปอันนี้ปฏิกิริยาไปภาวนา ไปทำจิตใจให้หลุดพ้นไปปล่อยวางอุปทานทั้งหลายให้หมดก่อนปล่อยได้แล้วหลุดพ้นได้แล้วทีนี้จะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปคิดอย่างนี้บ้างหรือกา ถ้ายังไม่คิดกันริม่มคิดได้นะมาคิดแบบนี้กันเถอะเสียดายที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ้าวกคูบาอาจารย์ท่านทำแทนเราไม่ได้ถ้าทำแทนพวกเราได้ก็พวกเราก็สบายกันเลย ใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> น, น้องกับน้องสาวเพ่งเพินั่งสมาธิถ้าตอนนี้ทำก็ก็กอ้อทำคล้ายๆกันแต่ว่าคนนี้จะจะทำเหมือนหายใจคุดคอคุดคอแต่ว่า อ่าน้องชอบทำเหมือนหายใจเข้าไงหายใจออกแต่ว่ามันแต่ว่าก็ทำอย่างนี้ก็มันใช่ไหมคะวิธีก็ใช่แต่ต้องดูที่ผลว่าผลนักเป็นยังไงนั่งแล้วใจเราสงบไหมเย็นสบายไม่คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าคือการใช้ลมหายใจนี้เป็นเหนือนการ ใช้ตัวล่อใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆธรรมดาใจเรานี้ชอบคิดด้้ยเปลื่อคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็ทำให้มีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่ ม, มัวถ้าเราควบคุมความคิดได้ด้วยการบังคับให้ใจให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกความคิดต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราว เวลาที่ความคิดสงบลงนิจใจก็จะมีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มใจนั่นคือผลที่เราต้องการแล้วก็ต้องนั่งให้ได้นานๆครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนถึงจะถึงจะดีถ้านั่งเพียงแค่ห้านาทีส0นาทีนี้ยังยังไม่ได้ผลมากเ้างมอนพยายามนั่งบ่อย ต่อไปเวลาเรามีความไม่สบายใจเราก็มานั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราไม่สบายใจใจของเราก็จะหายจากความไม่สบายใจแต่ถ้าเรากลับไปคิดเรื่องนั้นอีกเราก็จะไม่สบายใจได้อีกถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาอย่างถาวรเราก็ต้องหัดใช้ปัญญา เราต้องคิดว่าเรื่องต่างๆที่เราไปไม่สบายใจด้วยนั้นมันเกิดจากความอยากของเราเองเราไปอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่สบาย ใ, ใ จ, เ พ, ยใจเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราต้องสอนใจว่าเราไปอยากให้เรื่องนัง้นเรื่องนี้เป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงของเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเช่นเขาจะไม่ชอบที่หน้าเราเขาโกรธเกลียดเราก็อย่าไปหวังให้เขาต้องมาดีมารักเราปล่อยเขาไปวันนี้เขาอาจจะโกรธเราพรุ่งนี้เขาอาจจะกลับมารักเราใหม่ก็ได้หรือวันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะเบื่อเราก็ได้ให้เราคิดอย่างนี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปทุบกับเขาเราต้องรู้ว่าเขาไม่แน่นอน เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้วันวันนี้เขาดีพรุ่งนี้เขาร้ายก็ได้วันนี้เขาร้ายพรุ่งนี้เขาดีก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะหายจากความไม่สบายใจได้คือเราอยากไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราพวกเราต้องสอนใจเราว่าเราต้องยอมรับความจริงของเขา <c oughs> เขาเป็นอย่างไรก็ <c oughs> ต้องยอมรับความจริงนั้น แล้วเราก็จะหายจากความไม่สบายใจถ้าเรายังไม่สามารถทำให้หายได้ด้วยกวารคิดอย่างนี้เราก็กลับมาดูลมหายใจต่อไปก่อนก็ได้กลับมาย่างสมาธิดูลมหายใจแล้อย่าไปคิดถึง <c oughs> อย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงเรื่องของเขาพอเราไม่คิดตั้ไม่นานใจเราก็จะหายจากความไม่สบายใจ คือความแก้ความไม่สบายใจแก้ในสองวิธีวิธีนั่งสมาธิหรือวิธีใช้ปัญญาใช้เหตุผลพิจารณาให้ปล่อยวางเรื่องที่เราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นต่อไปอก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแต่เราก็ทำอยู่เรื่อยๆต้องซ้อมไว้ก่อนต้องซ้อมคิดอย่างนี้ไว้ก่อนต้องซ้อม น, นั่งสมาธิเรื่อยๆไว้ก่อน เพราะถ้าเราไม่ซ้อมถึงเวลาที่จะนั่งจริงๆเราจะนั่งไม่ได้ถึงเวลาไม่สบายใจแล้วอยากจะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบไม่ให้รุ่นวายก็จะนั่งไม่ได้เพราะว่าความคิดของเราตอนนั้นมันจะมีกำลังมากมันจะไม่ยอมหยุดคิดแต่ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยๆเราจะมีกำลังที่จะหยุดความคิดที่ไม่ดีได้เวลาที่เรามีความไม่สบายใจ ต้องดต้องพยายามทาทุกวันเหมือนกับการออกกาลังกายที่จะต้องออกกาลังกายทุกวันร่นางกายถึงจะแข็งแรงหรือเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราต้องรับประทานอาหารทุกทุกวันร่นางกายถึงใจอยู่ได้มีกําลังแข็งแรงใจของเราก็เป็นเหมือนร่า ง, างกายที่เราจะต้องให้อาหารต้องออกกาลังกายอยู่นร้่ต้องออกกาลังใจอยู่เรื่ อ, อ, อ, กกอยต้องหัดนังสมาธิอยู่ยบ่อย วันหนึ่งนั่งได้สองสาครั้งหรือมากกว่า น, นั้นได้ยิงดีนั่งครั้งหนึ่งก็พยายามนั่งให้นานๆนั่งตอนกาจะทนนั่งไม่ได้แล้วต่อไปหนูจะมีมีพลังพลังกิจที่จะยุติความไม่สบายใจต่างๆได้เป็นการวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นที่เวลาไม่สบายใจ เขาก็ไปแก้ด้วยการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอันนี้เป็นเพียงเบรงเบรงจิตใจไปชั่วคราวเดี๋ยวพอรากลับมาบ้านก็จะคิดถึงเรื่องปัญหาเดิมอยู่แล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองไปแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปเวลาถ้าไม่มีเงินทองหรือไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวได้ก็จะไม่รู้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร แต่ถ้าเรารู้จักวิธีนั่งสมาธิหรือรู้จักวิธีคิดด้วยปัญญาเราจะสามารถแก้ปัญหาของใจเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองไม่สำคัญว่าปัญหานี้ต้องแก้ด้วยสมาธิหรือแก้ด้วยปัญญาเท่านั้นไม่ได้แก้ด้วยเงินทอง ไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวอันนี้ต้องมีเงินทองถึงจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินทองเราจะทำอย่างไรหรือเราไม่สบายแล้วออกไปข้างนอกไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราต้าา อ, อ ง, อองาาใช้สมาธิใช้ปัญญาแล้วเราจะสามารถแก้ความไม่สบายใจต่างๆของเราได้นี่คือเหตุผลว่าทํำไมเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันทำไมต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เพก็เราจะได้มีปัญญามาแก้ปัญหาด้วยความน่าสบายใจของเรมีสมาธิมาแก้แก้ได้ทั้งสองสองวิธีสองทางสมาธิก็ได้ปัญญาได้ยิ่งดีอ่ะ้าได้ปัญญาจะแก้ได้อย่างถ้าวอนปัญหานั้นจะเมื่อแก้ไปแล้วก็จะไม่กลับมาจะไม่กลับมาอีกถ้าแก้ด้วยสมาธิแก้ได้ชั่วคราวหรือปัญหานั้นก็จะกลับมา เป็นสร้างปัญหาให้กับเราได้อีกในเรื่องต้นถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นเ้าก็ใช้สมาธิเป็นการแก้ไปพางพานก่อนเป็นกว่เราจะรู huh. uh ้จักการใช้ปัญญารู้จักคิดปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราก็เพราะความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ กระายไหะจายครับทีปฏิบัติอยู่ถึงแม้แต่ก็คือคุณพ่อเขาสอนให้ตามลมว่ก็คือดูลมเข้าตามไปจนแล้วก็พอออกก็ตามตลอดนะครับจะไม่ได้บริกรรมนคจะควรจะดูลมที่จุดเดียวจะดีกว่าคือให้ดูที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าลมออกที่มีสัมผัสที่เรารับรู้ได้ให้เฝ้า อ, อยู่ตรงจุดนั้นใจเราจะได้นิ่ง ถ้าเราตามลมใจเราจะไม่นิ่งใจเราต้องทำงานถ้าทำแล้วใจจะไม่สงบต้องดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้อยู่ตรงนั้นลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เพียงเท่านี้ไม่ต้องไปบังคับลมลมจะหายหายใจสั้นหายใจยาวก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาลมจะอยากลมจะละเอียดก็ให้รู้ตามความจริงของเขา แม้แต่มีความม้แต่ว่าถ้าลมหายไปก็ไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวว่าไม่มีลมเราจะตายไม่ตายหรอกเพราะว่ามันหายใจลมหายใจมันละเอียดจนเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ก็ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับผู้รู้ให้รู้อยู่เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้เรารู้เฉยๆรู้เปล่าถ้าเรารู้เฉยๆก็ให้รู้ไปอย่างนั้นรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมเราก็รู้อยู่กับความว่างไป อย่าให้ใจคิดถ้าอยู่กับความว่างแล้วจะมีความสุขแล้วเดี๋ยวใจจะสุกจะรวมลวมเข้าสู่ความสงเองอย่าไปวิตกบางคนมันมดูลงไปล้าลงลยละเอียดเข้าไปเรื่อยๆต่อไปลมหายไปก็จะตกใจคิดว่าตายก็จะเกิดความวิวตกวิจารขึ้นมาพอเกิดความวิตกวิจารจิตที่กำลังจะละเอียดก็เลยถอนออกมาเพราะต้องมาวิตกมาวิจารมาคิดมาปรุงแต่ง ไม่ต้องไปคิดปรงแต่งให้เฉยๆไว้ให้รู้เฉยๆไม่มีลมก็ไว้รู้แต่ใดถ้ามีรู้มีการรู้อยู่นี่ไม่มีวันตายดังไปเรื่อยๆแล้วจิตกจะรวมเข้าสู่ความสงบเม่อมันรวมลง ม, มันก็เหมือนกับเหมือนกับขาดขาดใจตายไปก็มีมันหุบลงไปเหมือนก็บลมหายใจนี่ถอดเหมือ น, นหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วก็นิ่งไปเลยก็ปล่อยมันนิ่งไปเราจะมีความสุขมาก มันนิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่กใ็ให้มันนิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเจริญปัญญาไม่ต้องไปพิจารณาอะไรทั้งนั้นตอนนั้นไม่ต้องการทำอะไรต้องการให้จิตพักผ่อนให้นานที่สุดจนกว่าจิตจะถอนออกมาออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมารับรู้ความคิดต่างๆตอนนั้นก็เอาใจมาเอามาสอนให้สอนเอาปัญญามาสอนใจสอนให้คิดไปในทาง ทางความจริงว่าไม่มีอะไรแท่งแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราเราอย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรอย่าไปอยากกับอะไรปล่อยทุก อ, อย่างเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้คิดอย่างนี้มีความสุขมากกว่ามีเขาเข้าใจไหมลองไปทำดูนะ ทำหนังสือด่าเลยหนังือ่เอาซีดีไปฟังอย่าตามลมนะตามเข้าตามลอกล้วมันจะไม่สนุกมันจะไม่นิ่งให้รูต้ตรงจุดเดียวไม่ต้องพุทธโทรก็ได้ดูลมอย่างเดียวนอกจากว่าถ้าดูแล้วลมใจมันไม่ยอมหยุดคิดก็อย่าเพิ่งดูลมให้เอาพุทธโธรอย่างเดียวแทน ไม่ต้องดูลมเอาแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าใจจะหยุดคิดลึกลึจนกว่าจะสงบบางทีพุโทโธพุธโทโธไปแล้วจิตก็จะวุบลงไปได้จะสงบก็จะหยุดพุโทโธไปเองแต่ยาวทั้งสองอย่างเพราะบางทีมันยุ่งยากบางคนชอบเอาหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธทีท่บางทีมันช้าไปแล้วความคิดมันเข้ามาแทรก อย่างนี้เราก็ต้องอย่าไปดูยนเลยเอาแต่พุดโทรอย่างเดียววอลกีการพุดโทให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าชอบใช้สออย่างก็ไม่ห้ามถ้าถ้าพุทธเข้าโทรออกหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทรแล้วจิตสงบก็ใช้ได้ก็ใช้ไปลองไปทำดูนะต้องขยันนะ ไม่ใช่ทำเรื่นๆนทำครั้งสองครั้งแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกทํำไปถ้าอยากจะได้ผลดี <c oughs> ก็พยายามทําไปให้ติดเป็นนิสัยไปแล้วต่อไปเราจะมีที่เพิ่มทางใจ <c oughs> พุทธังทางานสามคังสา ร, า น, ารานังปะฉามิก็แค <c oughs> ่คือเนี้ยคือความสงบการปฏิบัติธรรมเพื่อทําใจให้สงบเนี้ยอันนี้แหละจะเป็นที่เพิ่มทางใจของเรา เวลาใจเราเว้าวุ่นกุดมัวไม่สบายใจเศร้า อ, อกเศร้าเสีย อ, อ, อกเสียใจเราก็มานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบใช้ปัญญาสอใจให้ปล่อยวางคือพอดีว่าช่วงนี้อาจจะภาวนาน้อยกป น, นิดนึงะค่ะแล้วพอดีมีเรื่องไม่สมาจใจวันหนึ่งก็นั่งรดมีก็เลย คิดเรื่องมีชั้นงานก็เลยเอ่อาวนาผู้โทรไปพูโทท้โธทีนี้สักพักหนึ่งก็เลยคิดเป็นอสุภะค่ะจนถึงจุดลงรถทีนี้ก็ลงไปลงไปจะไปต่อรถมันก็เป็นโลง่ลงๆอะนะคะมีสมองพอจะไปต่อรถเขาก็ถามว่าจะไปไหนทีนี้ก็มันนึิไม่ออกค่ะมีอะไรผิดพลาดไหมเขาไม่หรอกจิตมันอาจจะว่างไปชัว่วคราว <c oughs> มันหยุดหยดคิดปรุงแต่งชั่วข้าวไม่เป็นปัญหาอะไรไนตอนแรกคิดว่าไม่มีสติถ้าไม่หนอกบางทีมันมันมันมันหยุดปุงแต่งมันหยุดทํางานชั่วข้าว <c oughs> ถ้าปลายที่มีตัวรู้อยู่ก็ไม่เป็นไรตัวรู้ก็คือตัวสตินี่แหละตัวรู้มันตัวเดียวกันถ้าเรายังสามารถดูแลการเคลื่อนไหวของร่างกายทําอะไรได้ตามปกติก็ไม่เป็นปัญหาเลยแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดเหมือนเดิม น, นะ ใช่ค่ะก็ใช้เวลาประีสัก3าสิบหรือสี่สิบวิแล้วจุดก็ยืนออกมาอีอันนี้ก็ จ, จะเรียกว่าคณิตกรรสมาธิก็ ไ, ได้สงบปับหนึ่งรือว่างปั๊บหนึ่งเ <c oughs> วลาจิตสง บ, บมันก็จะว่างอย่างนี้นมันจะไม่คิดมันจะไม่อะไรมันจะเฉยเยมันจะรู้เฉยเฉยไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันว่างอย่างนี้ก็ยืนเฉยเฉได้ก่อน <c oughs> ก็ตอนแรกก็ตอบของไม่ได้ก็ยืนคิดอ่ายืนที่เชื่ออย่างที่หลวงปู่หลวงปู่ชอบตั้งเดินไปเจอเสือจิตของท่านก็รวมลงแล้วก็ร่างกายของท่านกะหายไปจากจิตเหลือแต่จิตอย่างเดียวเพราะนั้นท่านไม่รู้เรื่องของร่างกายไม่รู้เรื่องของเสียแล้วต่อมาจักครู่หนึ่งท่านถึงถอนออกมาท่านก็ดูเห็นตัวร่างกายท่านยังยืงงยนอยู่เหมือนเดิม ยืนถือถือโคมไฟอยู่แต่เทียนที่ติด ท, ที่จุดอยู่ในโคมไฟนี่มันมอดมันไหม้หมดไปแล้วแสดงว่าท่านยืนอยู่ท่านั้นเป็นเวลานานจิตเวลาลนมแล้วมันถ้านมมเต็มที่มันจะปล่อยร่างกายหล่อยไปหมดเลยแต่ของคนนี้ยังไม่ได้ปล่อยร่างกายเพียงแต่เยอะหยุดคิดนหยุดความรู้สึกนึกคิดชั่วคราวนั่นเอก็ไม่เป็นปัญหาเลย ผลต่าง ๆ, ๆที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้เป็นผลชั่วข่าวเราอย่าไปอย่าไปยึดติดกับมันคือมันผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตกันแล้วมันผ่านไปแล้วเราควรกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันมาดูว่าจิตปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรจิตปัจจุบันของเรายัางโรภโกรธโงงอยู่หรือเปล่าถ้ายัางโรภโกรธโงงอยู่เราก็ต้องแก้ต้ อ, ต อ, ง, ตองทําต่อไปไม่ใช่ไปยึดถือว่าเอ้ช่วงนั้นจิตว่างแนละ้ว เมืนคิดว่าเราหลุดได้ตอนนี้แล้เราก็มาเรียนดูจิตในปัจจุบันของเราว่าเรากำลังโลกกำลังโกรธกาลังหลงอยู่มัวแต่ไปคิดว่าคิดถึงความว่างของมันในตอนนั้นแล้วก็จะไปยึดเป็นสัญญาอารมณไปแล้วก็จะเลยวาดภาพไปว่าได้บรรลุแล้วได้สำเร็จแล้วไปแต่ในปัจจุบันไม่ดูว่ากำลังเป็นอะไรอยู่ กำกลังวุ่นวายกำลังหลงกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวในปัญหาของคนที่ปฏิบัติแล้วไ ม, ไม่ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอไปสัมผัสรับรู้อะไรในขณะที่นั่งสมาธิก็กไปยึดไปติด ก, กับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ซึ่งมันผ่านไปแล้วพอเราออกมาจากสมาธิแล้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่อยู่กับเราปัจจุบันเรากลับมองไม่เห็นแลว อันนีต้องระวังต้องพยายามให้อยู่ในปัจจุบันเสมอให้อยู่ที่จิตของเราในปัจจุบันว่ากำลังเป็นอะไรต่างนั่งข่าวที่แล้วผ่านมามันจะวิเศษวิโสขนาดไหนมันหรือมันจะไม่ดีขนาดไหนมันก็ผ่านไปแล้วอยากไปสนใจให้สนใจในอดีตว่าจิตของเรายัางนิ่งยังสงบอยู่หรือเปล่าหรือยั ง, อยงวุ่นวายหรือยังยังหลงยังสงสัยยังมีปัญหาอยู่ เดี <c oughs> ย๋ยวนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาจากครูอาจารย์จะพุ่งเป้าไปที่การเห็นนั่นเห็นนี่ต้องเห็นนั่นเห็นนี่นะเห็นหรือยัง <c oughs> เห็นหรือยังไ อ, ไอคนที่ไม่เห็นก็ไม่กลา้าพูดว่าไม่เห็นที่ว่าเห็นแล้วนะกลัว <c oughs> <c oughs> จะอายเพื่อนกลัวจอายเพ <c oughs> เอเห็น <c oughs> ไม่ดีนะอยา่าไปเห็นอะไระดีพระเจ <c oughs> ้ว่ <c oughs> าถ้าผไม่เห็นแสดงว่าใช่ไม่ได้ถ้าจะเห็นเรื่องเห็นตายรักเช่นเห็นความตายอย่างเงี้ยดีเห็นอนุสุภะางเนี้ยดีแต่เห็นแล้วมันก็ต้องเอามาเห็นต่อไม่ใช่เห็นตอนนั้นแล้วก็มาพอออกจากมาแล้วก็ลืมมันไป <c oughs> ก็ต้องเอามาเจริญต่อเห็นความตายก็ต้องเจริญต่ออยู่เรื่อยเจริญไปจนกว่าจ้ะ ความกลัวตายจะหายไปถ้ายังมีความกลัวตายอยู่ก็ต้องเจริญความตายนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายกลัวยอมตายจนกว่ามันจะยอมตายจนกว่ามันจะยอมรับความจริงแล้วมันก็จะหายกลัวเห็นนสุภาพก็เหมือนกันก็ต้องเห็นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีการอารมณ์เหลืออยู่ถ้ายังมีการอารมณ์อยู่ก็ต้องเห็นมันไปเรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีการอารมณ์ปรากฏขึ้นเลย เห็นหนึ่งเดียวไม่พอบางคนคิดว่านั่งสมาธิเห็นอะไรปับ๊บเราจบรรลุแล้วยังไม่ยังไม่บรรลุเป็นเพียงเห็นหลังตัวอย่างเท่านั้นเองหลังตัวอย่างเราต้องเอามาทําต่อให้มันเห็นอย่างต่อเนื่องเห็นแบบ ท, ทุกล ม, มหายใจเข้าออกจนกว่าเราจะตัดกิเลสต่างๆได้ตัดความกลัวตายได้ตัดความกลัความเจ็บได้ ตัดการมาลงได้ น, นั้นนหะลถึงจะพอถึงจะถึงจะบรรลุได้บางทีนั่งไปค้า้งแรกเห็นอะไรแล้วตื่นเต้นดีใจแล้วก็วาดภาพไป่นิพพานแล้วนิพพานแล้ว <c oughs> แต่พอออกมาแล้วมันก็ยังโลภตรเหมือนเดิมแต่ไม่แต่ไม่มองตัวนั้นนะมองแต่ว่าเอ้ยเรานิพพานแล้วนิพพานแล้ว อันนี้เป็นกิริยาเท่านะั้นโลภโกรธหนงนี่เป็นเป็นกิริยาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของของจริงแล้วต้องดูปัจจุบันเป็นหลักนะการปฏิบัติการภาวนาต้องดูผลที่เกิดในปัจจุบันเสมอผลที่เกิดในอดีตแล้วก็ผ่านไปแล้วถ้าผลที่เกิดในอดีตยังอยู่ในปัจจุบันก็แสดงว่ามั น, ม, นมันต่อเนื่องถ้ามันหายไปแล้ว ปัจจุบันก็เป็นเหมือนตอนที่ไม่ได้เจอไม่ได้เห็นมาก่อนมนะันก็แสดงว่ามันเห็นชั่วคราวเท่านั้นเองยังไม่เห็นอย่างถาวอยดูใจเรานี่แหละมันจะมันจะฟ้องเราเองเวลามันกับเพื่อมขึ้นมามันจะฟ้องเราเองมันโกหกเราะมันมันเราก็หกตัวเราเองไม่ได้ถ้าเราดูใจเราเราจะรู้เราจะรู้ว่าใจเรานี่งหรือไม่นิ่งกับเพื่อมหรือไม่กับเพื่อม โลหมืนไม่โลกโกรหรันไม่โกรธเนี่ยมันจะรู้ถ้าเรามีสติดูดใจตลอดเวลา <c oughs> อย่าใช้สัญญาอาลงอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ได้มาแล้วผ่านมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว <c oughs> ถ้าอยากจะได้มันก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน <c oughs> ให้มันมีอยู่ในปัจจุบัน ให้มันมีอยู่อย่างสม่สำเสมออย่างต่อเนื่องคือความสงบนี้ให้มันสงบอย่างต่อเนื่องให้มันว่างอย่างต่อเนื่องให้มันไม่หวั่นไหวไม่กระพริบไม่กระเพื่อมกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดีหรือชั่วร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรเมื่อสัมผัสรับรู้แล้วก็เหมือนเดิมเท่าเดิมไม่มีการกระเพื่อม ไม่มีความไม่มีการตกใจไม่มีความหวาดกลัวดูตรงที่ใจเรานี่แหละเป็นที่วัดผลของเราแต่บางทีเราก็ต้องให้คนอื่นเข้าทดสอบเราด้วยการกระแทกกิเลสเราบ้างหลวงตาเ น, นี่ท่านกระแทกกิเลสคนเก่งใายเข้าใกล้หลวงตานี่กิเลสมันจะ ออกมาขึ้นผ่านมันจะกระเพื่มทันทีจิตจะกระเพื่มทันทีบองคนก็คิว่านิ่งสบายก็เข้าใกล้ท่านต้องไม่รู้มาจากไหนมันต้องนิ่งทั้งต่อหน้าแ ล, ล้วรัหลังท่านอยู่กับอยู่รับหลังต่านก็นเนิ่งอยู่ต่อหน้าท่านก็นเนี่ง มีอะไรไหมเพื่อ จ, จะได้เลิกลากันนะ